الله ا ل رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولعدوان إلا حن الظالمين و ص ل ي و س ل م على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأسان إلهم ا ل د ي ن ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ก่อนห ي ้ ا นี้เรา ا ด้อ ي ิบา و อ กับสงครามฮุนนยน์เป็นการเฉพาะพรอบสายวายาต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่วิทยาที่ 25, 26, 27ที่เกี่ยวกับสงครามฮุนยนย์ซึ่งเป็นสงครามที่เกิดขึ้นหลังวิชิตมักกะ ปีที่แปีจรสการ์ดเลย์อาริมวสุระตะวักถูกประทานลงมาหลังสงครามตะบุกปีที่สโอ้ยสงครามตะบุกีที่เก้าสงครามตะบุกี้เป็นสงครามสุดท้ายเลยสงครามตะบูกี้นบีไปแต่นบีเตรียมจะไปสงครามที่ไม่ดีไปเองนะส่งให้อุซ่าไมเป็นใจเลยไป ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายก่อนที่เสียชีวิตแต่แตะบุกนี่ถือว่าเป็นสุดสงคัมสุดท้ายจริงๆที่ท่านนับิสอลมลร์หรือซาลัมได้ส่งแลว้วก็ไปด้วยตัวท่านเองเอันนี้สามสงครมสามสงคั้มทัดกันติดติดกันหนึ่งฟัตหุมักกะยุสิดมักกะปีที่8อินรอนสกรานสองสงคัามหุไนปีเดียวกัน พิชิตมักกะนี่เดือน رمضان แล้วก็ฮุนัเนี่ยเดือนอะไรนะจำได้ไหมเช้าวันเดือนถัดไปเลยนะบีไม่รอเลยเพราะพวกสกีฟแล้วก็และก็ฮวาซินเนี่ยสองเผ่าใหญ่ที่เขาอยู่ตอิฟตำบนตอิฟนี่พอรู้ว่าท่านอบดุปชิดมักกะเนี่ยเขารู้เลยว่าคิวคิเข้าถึงแล้วอคิวเข้าถึงแล้ว เพราะเป็นเป็นัตรูชะกาดของท่านนบีสุลตัลลอฮฺอะลัยฮุสซลลัมและศสน า, สญญ า, สญญ า, าอิสลามเขาก็เลยวางแผนที่จะที่จะบุกท่านนบีเสียก่สงครามฮุนัยน์สงครามพิชิตมักกะ์เนี่ยไม่มีวาระซ่อนเร้นของกลุมมุนาฟิต ไม่มีไม่มีวาระซ่อนเร้นของกลุ่มมุนาฟิกมากมายก็กล่าวคือส่วนมากในราบรื่นอาจจะมีเร่งเล็กน้อยอย่างอย่างซอฮาวะที่เขส่งส่งสารไปให้ชาวกุเริชแจ้งวันบดุลบุกนะแต่สหฮาบานี้ไม่ได้เป็นมุนาฟิกแต่พฤติกรรมของเขาในเป็นพฤติกรรมของมุนาฟิก อีกุรอานได้ประนามแต่ท่านน บ, บีได้ให้อภัยสหบาทิ น, นี้เพราะเป็นผู้ที่ร่วมทำสงครามบัตร์ฮูดายนกไ็ไม่มีไม่มีเรื่องมุนฟิกซ่อนเร้นแต่มีเรื่องอาจจะมีเรื่องคนที่รับอิสลามใหม่แล้วก็ยังไม่มั่นคง ยังไม่มั่นคงทำให้ช่วงแรกของสงครามเนี่ยมุสลิมต้องประสบกับความพ่ายแพ้จนกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และได้กรุณาประทานความสงบลงมาอย่างท่านนาบีละสัฮาบะและสามารถกู้สถานการณ์ได้แต่สงครามตะบูกเนี่ยเป็นสงครามที่เต็มไปด้วยพฤติกรรมพฤติการ แล้วก็สิ่งแวดล้อมบรรยากาศของมูนาฟิกทั้งสิ้นเยอะมากเลยเราก็จะจะมีจะมีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะนะครับในสุรตะตัวว่าไม่รู้จะทานไดบ่าวก่อนเดินละมอ่อนวันหน่งชอบตั้จะทานสงครามหานายเนี่ยนายนีมันอยู่นอกเมืองตอฮิฟพอพวกละกีฟและก็เฮวาซินเนีไปแพ้แล้วฮะก็เลยรีบกลับ ไปเมืองตอฟิตอฟเมืองอินีมีมีป้อมมีมีรัว้วมีรัว้วมั่นคงอยู่แต่ท่านนบีก็เป็นล้อมที่มันประมาณสองเดือนแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในการเอาชนะเอาชนะเมืองตอิฟนี่แต่ท่านนบีได้บอกว่าอัลลอฮ์ยังไม่อนุมัติให้เราได้พิชิตเมืองนี้ได้ทึ้งเขากลับแล้วขอดุอาทิ้งท้าย ด้วยการขอด้วยอัลลอฮฺมะติบิหิมอลลอฮ์ Allah, ได้โปรดนำเข้ามาไม่ต้องให้เราเนี่ยบุกไปหาเขาเนี่ยให้เข้ามาเองซึ่งจะมาเทียบกับยุทธศาสตร์ด้านการทหารนี่นี่อันนี้อยู่เหนือเนือทุกซึ่งทุกอย่างที่เป็นแผนแผนการด้านการทหารแม่ทัพนี่ไปบุกศัตรูแค่นี้แค่นี้พอแล้ว โดยให้เขามายอมแพ้กันเองแหละไม่มีใครก็ทกํกากันนั่นแหละต้องเป็นนบีและต้องมีเป้าประสงค์ไม่เหมือนบรรดาแม่ทัพหรือบรรดากองทัพหรือทหารทั้งหลายที่เขาต้องการใช้ชนะต้องการเฉลยต้องการทรัพบต้องการชื่อเสียงไม่ย้อมถึงจัดบางทีเนี่ยก็ล้อมกัน สู้รบกันเป็นเป็นปีมันรเป้าหมายเดียวแต่ท่านนบีคือท่านนบีวางยุทธศาสตร์ของการทำ jihad นี่เป้าหมายนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เขินค่าไม่ใช่สังหารไม่ใช่เอาชนะไม่ใช่เสียงไงปราบปราบคนที่ขัดขวางศาสนาเท่านั้นปราบพอท่านนบีไปชนะสงครามโคนายแล้วนะก็เขาก็หนีกันไปไปซ่อนตัวอยู่ในเมืองตัวเอนี่ปราบปราบเบี้ยงปราบแล้วเป้าหมายนี่ปราบแล้ว หมางว่าต่อไปเนี่ยไม่มีใครจะไปขัดขวางหรือจะไปบังคับใครไม่เข้าอิสลามง่ายๆเงี้ยมันมันไม่ได้แล้ยก็ในเป้าหมายแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีความเสียหายดยเฉพาด้านชีวิตนะะท่านในนี้ไม่ไม่ประสงค์ที่จะให้มีความเสียหายด้านชีวิตมากมายนี่พอพ้นไปแล้วในสงครามโคนไนินเดียจบแล้วแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้น ประมาณหนึ่งปีก็ปีที่เก้าเนี่ยก่อนที่นาบีจะเสียชีวิตและก่อนที่จะส่งกองทัพไปสงครามไปทําสงครามตะบูกเนี่ยรายละเอียดของสงครามตัว ด, ดูจะมาที่หลังนะก่อนสงครามตะบูกเนี่ยชาวตออิฟนี่เมืองตออิฟนี่ทั้งเผ่าฮุสตีและฮาวาซินซึ่งเป็นเป็นเรียกว่า<ม>ส่วนมากของกองทัพที่สู้รบกรบับนบีรวมถึงแม่ทัพของเขาเนี่ยมาลิกเนี่ย ก็เดินทางไปหาท่านนบีไปรับอิสลามคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดเลยก็ถูกพนวงเป็นดินแดนที่อยู่ภายรัฐอิสลามเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าหลังจากวิชิตมักกาเนี่ยท่านนบีสุลลัลละวะอัลัยวาซัลลัมักวิชิตเมกาเนี่เดือนรุ่งมด ل َ ا ب ي ح ن َ ن ش و ا ل ذو ا ل ح ج ز ق ع ل ق ع د ز ل ح ج ا ن ي ك ب ن ش و ا ت م ح ج ْ ص ُ و ْ ل ب ا ل ن ب ي ْ ع َ ي ن م َ ع ْ م م ن َ م َ ع ْ ي ن م ي ْ ن َ م م ي ْ ن َ م َ ع ْ م َ م ي ْ ن َ م ي ْ ن م َ ع ْ م َ م ي م ن ن ي ن م أنا في السنة التي النبي ได بيشت مكّانة، تنبّي نَيْدَيْ ب ََ ك َ ا ت َ ط َ ع ْ ب َ ي ْ ا ِ ي َ م بعد ه ذ ا ع ا م م ش ر ِ ك ُ أ ب ا ل ب ي ت ع ر ي و ن ط ا ب ي ن ي مي هاي مشركني، بدهم مشرك حجني م س ي حرامني. มุสลิกที่ตั้ง باقي เนี่ยไปทำให้ไปอเนียร์แล้วแล้วไอ้อเนียร์ต่อไปเนี่ยใครที่จะมาตอวาฟเนี่ยรอบการบ่โดยเปลือยกายเพราะตะกอนต้กอนมีพิธีของพวกจาเฮเลียเนี่ยใครจะเต้าบาดตัวเนี่ยก็แก้ผ้าแก่ผ้าไปตอว่ากับตั้งชายและหญิงนบีก็เลยยกเลิกนี่เป็นการยกเลิกระบอบยาเฮเลียทุกอย่างแต่นบี เริ่มที่จะยกเลิกระบบยาฮิเลียเนี่ยที่เป็นพิธีกรรมด้านศาสนาที่มันทําลายภาพลักษณ์ที่มันงดงามของศาสนาแล้วก็สถานศักดิ์สิทธิ์อย่างมาซิดฮอร์แต่เรื่องินอื่นี่เนี่ก็ยังมีอยูเอเออเยเย่เรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยอย่างเรื่อดอกเบี้ยนี่ในที่นี้ก็พยายามยกเลิกตั้งแต่อยู่มาดีนแดงตั้งราอิสถ า, านก็มีห้ามห้ามกินดอกเบีย้ยห้ามใช้ดอกเบีย้ยเลยใช่ไหม พอไปต่ออิบนี่ก็ยกเลิกเหมือนกันแต่มันยังไม่สนิทจนไปนู่นนะปีที่ปีที่เก้าที่ท่านนาบีปีที่ส0บที่ท่านนาบีได้ทำฮัชเนี่ยและประกาศว่ายกเลิกห้ามไม่ให้ไม่ให้ใช้ดอกเบีย้ยเป็นอันขาดก็แสดงว่าก็แสดงว่ามันเป็นขั้นตอนของการวางระเบียบสังคมใหม่ซึ่ง ผมบอกกับพี่น้องหลายครั้งแล้วว่าเราต้องพยายามจินตนาการทุกเงื่อนไขของยุคนั้นนะยุคนั้นนะตอนที่เราได้อ่านกุตัานอย่าเอาการีตและเงื่อนไขของปัจจุบันเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขในสมองของเราตอนอ่านกุตัต์เพราะมันจะทําให้เราเนี่อรู้สึกอะไรบางอย่างไม่สบายใจสิทธิประหลาดใจอะไรบางอย่างแน่นอน แน่นอนเพราะเราชินชินกับกฎบางอย่างประเพณีบางอย่างเงื่อนไขบางอย่างเพราอมาอาธิปติจะไงอ่ะคือคือเราไม่ได้อยู่ในยุคนั้นน่ะไม่ได้อยู่ในบรรยากาศนั้นน่ะคนไทยเขาลืมแล้วอ่ะว่ากระท่อมกระท่อมกับกัญชาเนี่ยปีเดียวเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันยังผิดกฎหมายเลยได้ลืมแล้วนะ เลืมตัวเคยตัวหลูดกัญชากันสเสละเลยแล้วพาไปประเทศเพื่อนบ้านไม่ต้งไปไกลนะไปลาวไปคาบูชาทุกจับเออทำไ ม, มพี่เขาผิดกฎหมายของเขาเนีย่ยเป็นยาเสพติดเนี่ยไม่เนไรไงอนีแค่ปีเดียวนะลืมละเพราะมันผิดกฎหมา ย, เ, ยาเราชินกันชินกันไงเนี่ยบางทีเนี่ยเราชินกับอะไรบางอย่างเรา สมมติเราอยู่ในสังคมพหุธนธรรมใช่ไหมแล้วก็เราไม่เห็นนะ่ะคนที่เป็นมุชริกหรือคนที่ตั้งภากเีเขามีพฤธีกรรมอะไรที่ประหลาดประหลาดแตกๆอย่างเงี้ยเราเราไม่เห็นนะ่ะเราไม่ไม่ไม่ได้สัมผัสอะไรมากมายจึงถ้ามีอะไรที่มันเป็นการ พูดถึงพฤติกรรมของคนที่เป็นมุชลิกินซึ่งเราไม่ได้สัมผัสนะเราก็อาจจะแปกใจว่า้ยแต่เราไม่เห็นนี่ใช่เพราะเราเราเอามาตรฐานของมุชลิกินที่เราที่เราได้สัมผัสได้เห็นเห็นกันเหนกันเองแต่มุชลิกินในที่อื่นเนี่ยเราไม่รู้เขาเป็นยังไงอะไรถ้าเราอ่านคุรอ่านเราก็ต้องสํา น, นึกต้องเข้าใจคุรอ่านก็ไม่ได้ปัป๊มไม่ได้แต่คุรอ่านพูดถึงในยุคนั้น แล้ะในยุคที่จะมีพฤติกรรมยิ่งมุสลิมนในยุคนั้นนะเราจะต้องทํำยังไงเช่นอายานี้เนี่ยก็เป็นอายาอายาที่อายาที่18นี่นะครับเป็นอายะเกี่ยวกับการวางระเ บ, บียบในสังคมระเ บ, บียบในสังคมมุสลิมใหม่เราจะสังเกตว่าก่ อ, อนหน้านี้เนี่ยสุร ต, า ต, าา ต, าตา่างๆอายาต่างๆจะวางระเบียบที่ม่ดีนะ แต่อายานี้จะพูดถึงวางระเบียบในมสัสยิดฮารอมนะในมักกะฮ์ซึ่งซึ่งเป็นเมืองที่ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐอิสลามเนี่ยไม่ได้ปกครองไงกี่ปีอะปีที่ท่านนาบีดาว่าที่มักกะฮ์และแปีที่ท่านนาบีอยู่ที่มดินะรวมทั้งหมดได้ยีปีหลังจากนาบีเทศนานี่นะมักกะฮ์ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองขอ ง, ของอิสลามพอนบีเผยพระิตแล้ว การมาอยู่ภายใต้การปกครองจึงออกระเบียบมีออกระเบียบซึ่งระเบียบนี้มันก็เข้าไปครอบคุมแม้กระทั่งแผ่นดินแผ่นดินฮาาร์ดเอาเรามาดูไอายานีนะครับไอยานี้นจะจ๊ะที่พยายามให้ให้เสร็จให้ได้นะครับไอายานีมันมีอ ح ك ا م เยอะมีหลักการเยอะมากที่เราต้อง ق ِ ر و ا ل ل ه م ن ا ل ش ط ا ن ا ل ر ج ي م ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا إ ن م ا ا ل م ش ر ك و ن ن ج س ف ل ا ي ق ر ب ا ل م س ج د د ا ل ح ر ا م ب ع د ع ا م ه م ه ذ ا و إ ن خ ف ت م ع ي ل ة ف س و ف ي غ ن ي ك م ا ل ل ه م ن ف ض ل ه ف س و ف ي غ ه ن ي ك م اللَّهُ مِنْ ف َ ض ا ل ِ ه ن إ م ن َّ ا ل ل َ ي ه َ ا َ ل ذ ي م ٌ ح َ ك ع ي ب ٌ يَا أَي أو ساتعلم لا أيه إنما المشركون نجسون. هذه جنب ده بند مشرك نن سوهم. إذا كل تطبي Muslim تطبي نه Muslim تطبي. تي كا كا ج ة مشرك كا جا كلمة نجس مشرك قلدي تانقادي كا ج نجس ما هو س و م إ فان โดย بيو بيرن ه ن ้ ف سدود جاي. อีนังว่าไหมสะดุ้ใจไงอะแสดงว่าเนี่ยลกนี่เป็นนจิสะประการแรกนะประการแรกต้องเข้าใจว่าอัคกามว่าด้วยเรื่งองโสมมนจิสไม่นจิสและความรังเกียจที่มุสลิมมีต่อคำว่านาจิสมันมีเฉพาะ ในลักการศาสนาอิสลามไม่ได้มีทั่วไปในหมายถึงว่าคาว่านาจิสเนี่ยพอเราเอ่ยคำว่านาจิสิ่งเนียซึ่งเป็นคําภาสาระใช่สมัยตกรุ่นนะภาษาอาหรับเนี่ยชาวอาหรับเนี่ยที่ไม่ใช่มุสลิมมนะนจิสกับบริดกับรุนซีฟเนี่ยมีมีค่าเหมือนกันไรุนซีฟไม่สะอาดบริดแปลว่าสกปป์นจิสสกปก มีค่าเหมือนกันเท่ากันและจะไม่มีความรังเกียดด้านศาสนาอะไรความรังเกียดด้านศาสนามันมีความรังเกียดด้านศาสนาแล้วก็มีความรังเกียดเฉพาะด้านความรู้สึกเช่นน้โมูกน้ำลายนี่มีความรังเกียจด้านความรู้สึกอย่างเดียวแต่เราไม่สามารถเรียกว่านาจิสนาจิสนี่มันกลายเป็นเป็นคำศัพท์ เป็นศาสนาบัญญัติน้ำลายเนี่ยเรารู้สึกรังเกียจใช่น้ำมูกเงี้ยรังเกียจแต่เราไม่สามารถด้ว่านนจิสไม่ได้ด้วยกวนนจิสยุ่งเลยนะบ้วนปากกันทั้งวันเลยขนเป็นหวัดนี่ไม่ต้องทาอะไรเลยนะจมูกแดงอย่างเดียวสั่งน้ำมูกอย่างเดียวนจิสยัง่จะละหมาดยังไง แต่ไม่ใช่น้ำมูกน้ำลายไม่นาจิสถึงจะรังเกียจศาสนาไม่ว่านี่ยคนก็รังเกียจไปดิแต่ไม่นาจิสแต่น้ำลายเราเองเนี่ยไหลตอนละมานี่ไม่ต้องล้างเหมือนปัสสาวะแลนะอันนี้ก็น้ําอันนี้ก็นน้ำนะอันนี้ก็รังเกียจอันนี้ก็รังเกียจแต่อันนี้ไม่นาจิสอันนู้นนาจิสนาจิสนี่เป็นศาสนาบาตอย่าเราต้องเข้าใจว่าเวลาจะใช้คําว่านาจิสเนี่ย อันนี <t Clerk |nospeech|> ้เราต้องสงวนคํานิยามแม้กระทั่งมุสริกีไม่มีสิทธ์ว่มีมีนักนักคิดที่มาวิจารณ์ว่าว่าคนนี้ไม่ใช่มุสลิมเนี่โอ้โสมมสมศกุปกมันเป็นคำมันเป็นศาสนาบรรณบรรยัติที่ต้องสงวนนิยามของมันเนี่ยตามคํำนิยามในศาสนาซึ่งต้องมีรายละเอียดไม่ใช่ว่าคนเอาไปแปลไปเปิดเด็กเชนเดอรี่ในที่สเปว่าสกุปกเาะว่า คนนี้มายุดวา่าเขาโกสกบกไม่ใช่นี่ความละเอียดอ่อนที่จริงเนี่ยมันไม่ได้ละเอียดอ่อนเพราะอัลลอบอกว่าอินนาจ่าเลวุคุรานอันอารบีเราได้ประทานคุรานลงมานี่เป็นคุรานเป็นเป็นสำนวนอ่านอาหรับภาษารับสดงว่าคนที่จะเข้าใจคุรานนี้ก็ต้องชำนาญการเรื่องภาษาบ ถ้าไม่ชํานาญการเรภาษาอ раб นี่อ่านแล้วก็ถามคนที่ชํานาญการอันนี้อันนี้ยังไงอันนี้เข้าใจยังไงเขาจะได้อธิบายให้แต่ถ้าอยากจะรู้เองก็ต้องศึกษาให้ให้ชำนญภาษาอับนี่ศึกษาให้ละเอียดจะได้เข้าใจไม่ขาดเกินอนนี้พอจะอ่านอินน์มะลูชริกีนอินน์มะลูชริกูนัลเดจัสตัติงบันดามุชริกมูชริกพงก้ ผมก็เคยบอกว่าผมไม่คยเห็นด้วยนะที่จะทับศัพท์ทับศัพท์กัมกึนทับศัพท์ห้าสิบห้าสิบอัลมุชริกูนเนี่ยคือเป็นบาฮูพ์เอกพจน์คือมุชริมไงอัลมุชริกูนบหฮูพจน์นนี้ถ้าจะแปลหมดในเป็นภาษาไทยเนี่ยแท้จริงบรรดาผู้ตั้งภาคีทั้งหลายนั้นสมมอ น, นี่อันนี้ไทยนนภาษาไทย แต่าาาา <laughs> อัาาบบบบาาาลาบบ ม, ม, มุชริกูนเขาเอาเอกพุทธมุชริกและเอาคำบันดามาประกอบคุกเทลสาหรับกับภาษากับภาษาไทยแปลอะไรยังบรรดามุชริกมั้อมุชริกูลนะก็รู้มานก็แปลแปลไม่ค่อยถ้าจะแปลให้เป็นไทยก็ไทยไปเลย ถ้าจะทับศั์เนี่ยเผทับซับไปเลยแท้จริงมุชริกรนมุชริกรนนั้นสมุงพอจะเป็นมุสลิกไม่ว่าอะไรบรรดาพูดตั้งปากีหรือมุสลิกก็ได้เพราะคำว่ามุชลิกเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยมุชริกเนี่ยถ้าเอกพจน์นี่หมายถึงว่าตัวบุคคลที่มีเนื้อหาความเป็นมุสริกบุนคนที่ตั้งปากีนี่มันก็ยังพอพอได้ไม่ต้องใช้บรรดาก็ได้แท้จริง พวกมุสลิมบรรดามุสลิมแท้จริงมุชริกสมงก็เป็นที่เข้าจหมายถึงว่ามุสลิมทุกๆคนไม่ต้องบรรดาก็ได้นี่เรื่องศิลปะนิดหนึ่งศิลปะด้านภาษานิดหนึ่งไม่ไม่มีปัญหามาแต่ที่เป็นปัญหาเนี่นาทีสที่เป็นสีเหลืองเนี่ยนาทีโสมงเ่าอะไรอะ คนเราเนี <necessary. S 2> temple, ่ถ้าถ้าสัมผัสกับน ajaasa น ajaasa เนี่ยเช่นอุจระปัสสวะต้องทาอะไรต้องล้างไม่เสียน้ำละหมาดนะแต่ต้องล้างเราสัมผัสมุสริกีเนี่ยต้องล้างอุลามะอิจมายอะไรบ้างวะไม่ต้องล้างยกิร์ตอุลามะบางท่นแต่จานวนน้อยมาก คือประเด็นเนี้ยอุลมาได้ตั้งหัวข้อไว้เนี่ยโฮตกลงน a j a ของมุสลิมเนี่ยความสมของมุสลิมนเป็นนฮิสซียหรือนมนวิยะน a ความสุขบกสมฮิสซียเนี่ยไปว่าที่สัมผัสได้เป็นน a j a ดันสัมผัสได้เป็นนจิสเหมือนเหมือนอุจระเหมือนปัสสาวะ สรีมานาวียาในเชิงนา ม, มธรรมความสกปกเชิงนา ม, มธรรมซึ่งถ้าดูในบรรดาการวินิจฉัยของปราชมุสลิมตั้งแต่สมยัยนบลบีและสฮาบานีทั้งหลักฐานทั้งการตีความเนี่ยแทบเป็นเอกฉันนะอุลมามะเขาบอกว่า มันไม่ใช่นาจาซ่าให้เสียมันไม่ใช่นาจาซ่าด้านกาสัมผัสเหมือนนาจาซ่ทั่วไปที่เราสัมผัสแล้วเราต้องล้างต้องชำระต้องทําความสะอาดแต่มันเป็นนาจาซ่เป็นความสมมิมด้านานมามธรรมด้านด้านความหมายแล้วในด้านความหมายาหมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อและพฤติกรรมบางอย่าง ที่มุสลิมกินเขาทํากันมุสลิมกินก็าทำอะร่วมหลับนอนผิดประเวณีแล้วก็ไม่อาบน้ําจานาบคนเราเองนะมุสลิมเองว่ามุสลิมทั้งทีนะมุสลิมนะเวลามีจานาบาเนี่ยแล้วยังไม่ได้อาบน้ําจานาบาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยสะอาดนะไม่ค่อยสะอาดขะโม่ไม่ค่อยสะอาดนี่ทั้งนั้ที่เรานี่อาจจะ สะอาดเตี้ยงหอมกินก็หอมนะมุสลิม่าที่มีประจำเดือนเรารู้กันดั้งทีนะครับว่าตัวมุสลิม่าที่มีประจำเดือนนี่เขาไม่นายิสแต่เขาเี่ก็จะร่สเขาไม่สะอาดอตมุสลิม่าเวลาเขาถูกถามอ่าลมาดมาไปละหมาดเนขะไม่สะอาดฉันไม่สะอาดละหมาดไม่ได้แปลว่าไไม่สะอาดก็คือความไม่พร้อม ที่จะประกอบไม่มี่มุสลิมนะไม่ใช่มุชริกนะมุสลิมนะครับในวันทึกของอิหมามบุคหรีและมุสลิมแรงงานโดยท่านอบูฮุเรยรอเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับอบูฮุเรยรอและในบันที่ของอิมามมุสลิมเป็นเรื่องที่ถูกแรงงานโดยท่านฮุซิฟะก็บอว่ากะบูระน่าเขาแรงงานฮุซิฟะก็แรงงานว่าเดินอยู่ที่ถนนมาดีเน่แล้วก็เจอท่านนบีมาเดินมาไกล อบับบราแ ล, ากาาาลกา้ก็โฮไซฟ้าเลาเหมือกันแล้วเหมือนเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสองครั้งกับสองคนโฮไซฟ้านี่พอเห็นนั้นนบีเนี่ลาลาายลบนี้เลยอับบร้าก็เหมือนกันลบนี้เละหนีนั่นนาบีนบีสังเกตพอเห็นพอเห็น น, นี่จะเจอกันแล้วมัก็หนีหนีภายหลังเนี่ก็เจออับราแลาา้วก็เจอทําไมเห็นฉันอยู่ดีๆก็หนีไปเลย เขาบอกว่าตอนนั้นนะข้าพเจ้ า, าเป็นเป็นจุนุปเป็นยุนุปยังไม่ได้อาบน้นาบาําจะนนบะและไม่ไม่กล้าที่จะคือรู้แล้วว่าตรงเจออบดีเจออบีก็ต้องสลามและข้าพเจ้ า, าไม่กล้าที่จะสลามท่านที่จะสลามท่านโดยที่ยังมีจันนบะอยู่สังเกต น, นะทั้งอบูไราะห์และกะัสซีฟะเก็ไม่ได้บอกว่าฉันไม่สะอาด ฉันนายจิสเขาไม่ได้เขาไม่ไ้พูดนะแต่มันเป็นแค่้ายเป็นความรู้สึกเพราะท่านนาบีผมเป็นยุนุกแล้วไม่กล้าที่จะสัมผัสมือท่านสลามท่านโดยที่พระเจ้านี่เป็นญาบะท่านนาบีก็บอกสุภานพนโมสุภานนลอเครบอกแล้วสุภาพนลอเนี่เป็นเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุภาพนอวอาระถ้าได้ยินหือได้เห็นสิ่งที่แปลกใจ เอกลาง سبحان ัลลอฮเอกานะ سبحان อัลลอฮไม่ใช่หูยนะปรับพฤติกรรมหน่อยเห็นอะไรแปลกใจนะบางทีก็มีมีด่ามีสัตว์สงวนมีอะไรมามาแสดงความปลาดใจผู้ศรัทธาเห็นอะไรนะ س ب ح ا ัลลอฮ Allahu Akbar กดา سبحان الله Allah Akbar อิมามบุ k h a r เนี่ยเนี่ยบันทึกเขาซายบุค h a r เนี่ยตั้ด้ตั้งหัวข้อบับุนถ้าเห็นอะไรที่แปลกใจเนี่ย سبحان ไอ้คำสุภาพรุ่ง Allah a k ทันบีเห็น ดีนอับูฮุเรตะก็เาฟังเรืองทีบบพกตอนเป็นจนาบ้าไม่อากจะสื่ารกับนบีตอนมีจนานายนี่ยนบีก็มี سبحان อัลลอฮ์ المؤمن لا ينجس مؤمن น์ไม้สวมมไม้สวมมุมนี่หมายถึงว่าไม่สวมมด้านอะไรอ่ะไม่สวมุเนี่ยด้านสัาผั็หมายถึงว่าเขาจะไม่นยิตเหมือนนักเรียนทั่วไป ไม่นาจิตเหมือนนายไม่เหมือนอุจระไม่เหมือนปัสสาวะก็หมายถึงว่ามุกมินที่มีจานาบ้าเนี่ยสัมผัสได้อันนี้ในระดับหนึง่งรู้กันแล้วระดับห น, น, นึ่งว่าเนจาศะเนี่ยมีทั้งเนาจาศะคิสยียเนาจาศะมันกวิยะเนาจาศะที่สัมผัสและเนาจาศะด้านความหมายด้านนำมารรมมุมินที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะไม่สวมมุมด้าน ด้านน้ำประทแสดงวา่ามุมลินกับกาทิเนในด้านนจาซ่าะะที่เป็นรูปประทับมีค่าเหมือนกันค้าเหมือนกันแต่หมาถึงว่ า, ว ม, ามุชริกีนจะเข้ามัสยิดไม่ดูไม่เอาเรื่องเข้ามัสยิดมันจะมีประเด็นที่จะพูดมุชริมเนี่ยมีนจาซ่าะะที่มือมีนจาซ่าะะที่มือ เช่นพี่น้องต่างศาสญญนิาเราก็เราก็รู้กันนะครับว่าเวลาเขาเขาเขามีธุระส่วนตัวเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ล้างมือไงอย่างที่เราเห็นกันนะตามอ่านในเมืองไทยเนี่ยเป็นเนี่ม้าจริงๆนะครับที่อ Allah ให้เราเนี่ยเป็นทางออกเวลาทักทายพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยเราก็สวัสดีอ้อันนั่นเป็นเนี่ยม้าที่ยิงย่งใหญ่ ยิ่งเราเจฝรั่งในยุ่งเนียะเพราฝรั่งก็เหมือนกันแหละฝรั่งก็เหมือนกันอ้ปัสสาวะเขาไม่ล้างกันเนี่ยทีนี้ฝรั่งนี่เขาชแคนเลยนะเช็คแค่เลยยุงอนีย่แเช็คแค่เพิ่งออกมาจากห้องน้อมีแ่มาแยุ่งเลยนะแต่นี่ไม่ใช่สำหรับมุสลิมอย่างเดียวนะอันนี้แม้ก็่มุสลิมมุสลิมท่า ถ้ามีนาซิาในมือเนี่ยเหมือนมุสลกินแต่มีนาซิาในมือเนี่ยเราก็ไม่สัมผัสนี่ถึงบอกว่าถ้านาซิาดันสัมผัสเนี่ยที่เป็นวัตถุนี้นะเหมือนมีค่าเหมือนกันมีค่าเหมือนกันถ้านาซิาดันนํามาทําเนี่ยก็คือเรื่องความคิดเรื่องความรู้สึกเนี่ยอันนี้แน่นอนนี่คือมาตรฐานที่เป็นระเบียบในสังคมเมืองที่อย่างที่บอกเกี่ยวกับระเบียบพละเมือง ที่ส่วนอัตาบ้านเนี่ยส่วนมากเนี่ยมาวางระเบียบพ ล, ลเมืองไม่ใช่สัญชาติไม่ใช่เชื้อชาติไม่ใช่สีผิวอะไรพวกนี้ อ, อ่ะศาสนาตรงไปตรงมาเลยนี่คือมาตรฐานของอิสลามเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับพ ล, ลเมืองที่อยู่ในในภายใต้ภายใต้การปกครองอิสลามมองถึงเรื่องศาสนาคนอื่นเขาจะมาเรื่องสีผิว คนอื่นก็จะมองเรื่องเรื่องเชื้อชาติตกูลอะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าเป็นความคิดสำหรับมุสลิมความคิดของเขามีความโสมมในทศนะของมุสลิมคนอื่นเขาอาจจะมอว่าไม่สนุนิบเรื่องคุณแต่นี่มันเป็นระเบียบมันเป็นระเบียบภายในรัฐอิสลาม่องคุณไม่เห็นคุณเห็นว่าความคิดของคุณเนี่ยแจ่อุศุดย้อนนี่องคุณ แต่คนไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับคนอื่นว่าจะต้องมองว่าความคิดของตัวเองเนี่ยถูกต้อ ง, งก็เป็นเรื่องเหมือ น, เ, นเรื่องประหลาดของเรื่องรักร่วมเพศในยุคปัจจุบันเกิดในสังคมประชาธิปไตยแต่ที่ประหลาดเนี่ยเขาเขาจะประชาธิปไตยเนี่ยใครจะคิดอะไรจะทำอะไรก็ทำ อย่าให้เลเ่เมอร์อย่าให้เล่เว่า์กฎหมายพอทําเนาพอจะคิดพอจะนึกออกว่าสังคมประชาิชนเป็นแบบนีม้มามดูคุณคิดในะรักรวมบิ น, นเป็นเรื่อง เ, เรื่องดีเป็นเรื่องในสระนีเป็นเรื่องคุณแต่คนจะมาบังคับคนอื่นโอ้ยคุณต้องคิดเหมือนเขานะว่าเขาเขาเขาาถูกต้อ ง, ขอ ง, ข, องของเขาดีและจะคิดว่าไม่ถูกต้องและคิดว่ามันบาปนี่แสดงว่าคุณบอลลี่เขาแล้วคุณคุณนะผิดกฎหมายนี่เขาจะเอาถึงขนาดนั้น มันก็ใช้ภาษาได้ยัไงที่จริงเนี่ยในมาตรฐานของของกลุ่มกลุ่มรักร่วมเพศเนี่ย <c oughs> เขาก็มีคําสั่งที่มันฟ้องภาษาอังกฤษเนี่ยคนที่มีร ส, สนิยมทางเพศที่เราเรียกว่าเบียงเบนนะอย่าย่าไปใช้คําว่าเบียงเบนกับเขานะเขาเขาไม่เบียงเบนนะออ <c oughs> แต่เรามองว่าเบียงเบนอ่ะ ปรชาชนประจ า, ายมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ไม่ไม่ใช่หรอือมีสิทธิ์ถึงขนาดที่วิจารณ์ผู้นําประเทศวิจารณ์ทุกคนเลยวิจารณ์นักศาสนาวิจารณ์พระเจ้ายังยังมีสิทธิ์กันเลยนี่จะวิจารณ์นัก r o m p e ไม่ได้เอวิจารณ์เขาไม่ได้คนที่มีรสนิยมทางเพศที่เบี่ยงเบนนี่นะเขาก็มีชื่อของเขานน่ผมไม่ลงรายละเอียดนะแต่ที่แต่ที่แปยคนที่ เพศที่มีรสนิยมชายรักหญิงหญิงรักชายเนี่ยเขาจะเรียกกันสไตร์คือตรงสไตร์ตรงแล้วคนอื่นนะคนอื่นจะตรงไหมคําศัพท์นี่นะเขานี่จะมีความรู้สึกละเอียดมากกว่าอ ย, อย่ปกระทบอย่าไปอะไรเขาแต่ทีมุสลิมงเขามีคําศัพท์ของเขาของเขามีมาตรฐานอะไรของเขาบ้างรู้ไหม ประเทศยุโรปเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยถ้าสามีร่วมหลับนอนกับภรรยาโดยที่ภรรยาเนี่ยไม่ยินยอมหรือดังเกียรตนะไปฟ้องสามีว่าข่มขืนได้คบและข่มขืนนี่ถูกดำเนินคดีเป็นอาชญากรเลยนะแล้วจะถูกเรียกว่าสามีร่วมหลับนอนกับภรรยาเป็นอาชญากรกฎหมายเขาทำได้ กฎหมายมนุษย์ของเขาเนี่ยเขาร่างมาได้ที่มุสลิมบอกว่าความคิดของคุณเนี่ยไม่สะอาดความคิดสกรปรกโอ้ไปดูคำอุจาร์ของเขาเนีนที่เขาอุจาร์ญญมุสลิมที่ที่ให้ลูกคุมฮิญาบที่ให้ลูกท่องจำคุรานนี่นี่เป็นอัจฉยกรข่มขืนความรู้สึกของเด็ก เป็นการริดรองสิทธิ์ของกูยาวโดยแต่ละคําเนี่แล้วเขาบางอาจไม่ระมัดระวังในการเก่าหามุสลิมเลยนะในแต่ละข้อหาเนี่ยไม่ไม่ระมัดระวังเลยนะทําไมอ่ะเพราะเขาถือว่าเราได้ทําในสิ่งที่มันผิดจารีตผิดความรู้สึกผิดกฎหมายของเขาเองโดยที่ไม่คํานึงอะนะว่าเออเราก็มีกฎหมายมีจารีตมีอะไรของเรา ต่อก่อนนมียุคหนึ่งประมาณยี่สบสปีเนี่ยคําศัพท์หนึ่งมันดังมากตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมันเริ่มไอ้นั่นและเพราะพอเริ่มสว่างแตตอนนั้นน่ะดังมากโลกาพิวัฒนะ์ได้ยินไหโลกาพิวัฒน์นี่ต่อก่อนนู้นอะ่ะโอ้โหนี่วิจารกันและสิ่งที่เขาเขาวิจารณกันเยอะมากเนี่ยวะโลกาพิวัฒน์เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่มีรั้วไม่มีกําแพงระหว่ังระวัง เชื้อชาติทั้งหลายแม้ว่าจะในเรื่องศาสนาเรื่องความคิดหรืออะไรทำอรต่างๆนี่คือเราจะเป็นโลกเดียวกันและทุกอย่างนี้มันก็จะมันเหมือนจะถูกละลายพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยในในภาชนะเดียวกันตอนนั้นคนที่กังวลมากนีคือมุสลิมแต่มุสลิมไม่มีปัญหานะว่าจะอยู่กับใครก็ได้อยู่กับใครก็ได้แต่เราอยู่ร่วมกันโดยที่มีขอบเขตนี อาาเขตของแต่ละคนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราว่าเราไปได้เสลป์ไปได้หลักการนมีหลักการรองรับอยู่แล้วแต่หรืออนณาเขตนี้เนี่ยไม่มีอนณาเขตไม่มีไม่มีมมกําแพงไม่มีรั้วแยกเรื่องความคิดเรื่องอะไรนี่นะอันนี้เนี่ยน่ากลัวซึ่งตอนนั้นอะโกาพิวัติเนี่ยเขาพูดถึงขณะที่ต่อไปนี้เนี่ยไม่ควรที่จะมีช่องเรื่องศาสนาเรื่อง ช่องการ์ดว่างมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ควรมีไม่ควรมีซึ่งตะกร้อนีนเป็นเรื่องเรื่องแปลกมากขนาดนในในโลกมุสลิมเนี่ยมันมีมันมีทุกทุกประเทศเลยแต่เรื่องนี้มันก็พอหลังจากมีมีมีมคําศัพท์นี้ถูกเผยแพร่ขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแผนของตะวันตกในการทําลายโลกมุสลิมเนี่ยเรื่องหลายเรื่องเนี่ยมันก็เลยผ่านไปไม่ไม่ไ ม, ม่ประสบความสําเร็จอย่างเรื่อง ไม่ระบุไม่ระบุศาสนาในบัตรประชาชนอย่างอันนี้ในประเทศอาหรับเรื่องมุสลิมมีส่วนมากเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มันเป็นความเชื่อของมุสลิมเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมมานก็ต้องก็ต้องศึกษาศึกษาความแตกต่างศึกษาเงื่อนไขของของคำสับในคุรานเนี่ยว่ามันพูดว่ามันพูดถึงอะไร เองที่อธิบายแล้วนี่นะพรอธิบายแล้วเนี่ยคําว่านะดิสเน่แปลว่าอะไรสำหรับคนที่เข้าใจภาษาอับแล้วเข้าใจเรื่องสถานการณ์ตอนยะอีฮะลล์ดีนะมันอินน์มัลมุชริกูนะนะจัสุบรรดาผู้สัทธาทั้งหลายแท้จริงมุชริกสซมแน่นอนคนที่อยู่สมัยท่านนบีที่เข้าเห็นมุชริกีนเดินไปเดินมาก็เจอมุชริกีนะให้สลามกันด้วยนะ บาทีเนี kah, ่ก็ทำการค้ากันด um, uh, uh, ้วยนะสัมผัสเมเห็นนบีมีกลุ ay, ah ่มนโซรอจากนจูรอนี่ก็มาเยี่ยมเข้ามามัสยิดแล้วก็เข้ามาสวดมนต์ตามศาสนาที่สุเข้าอยู่ในมัสยิดก็เห็นท่านนบีเจอท่านนบีก็สลามท่านนบีมาดีนาเนี่ก็มีทั้งสินค้าจากมุชลินก็เข้ามาเทียบเลยมาค้าขายที่มาดีนาดิธรรมดาเลยอม่างนีท่านนบีไม่เคยบอกว่าเฮ้ระวังนะ เสื Valerie, ้อผ oh, ้าที่เอามาจากเีเมนเป็นพวกยิวพวกคริสต์เขาเขาเขาเย็บกันตรงซักก่อนตรงล้างก่อนไม่มีเลยแน่นอนอยู่ในบรรยากาศนี้เนี่ยพอท่านเล่าบอกว่าในที่เข้าใจเข้าใจดีเข้าใจเคลียเคลียสว่างนั่นแหละอ๋อนที่ีไม่มายถึว่าเนอร์เซเฮสเซียนี่หมายถึงอะไรต้องล้างน่ะไม่ใช่หมายถึว่าตัวมุสลิกีนเนี่ยเป็นในทิ่สักตัวอีไม่ใช่ท่นเป็นนเจอร์เซมาเนน ซึ่งจะวิจารณ์ความความคิดหรือความรู้สึกว่ามันโสมม ม, มันไม่สะอาดอันนี้อันนี้อันนี้เป็นการวิจารณ์เป็นการวิจารณ์ที่ย่อมทําไดไ้แล้วที่จะกล่าวมุสลิมที่ปกป้องแผ่นดินของเขาปกป้องศาสนาของเขาไม่รับการเจรจาพูดคุยนะเขา ข้อหาว่าการก่อการร้ายเนี่ยสำหรับทุกคนที่เอาเรื่องศาสนามาแอบข้างในการต่อสู้ในการสู้รบทุกคนที่จะต่อสู้เพื่อศาสนานี่ก่อการร้ายถึงนั้นเฮ้ยมันต้องจำแนกดิอย่างถ้าฉันนี่ถูกบังคับจะได้ทําอะไรที่ไม่ตรงกับศาสนาแล้วฉันต่อสู้ไม่ยอมต่อสู้อันนี้ก่อการร้ายเป็นฆาก่อก อ ย, อย่างอเมริกาเข้าไปบุกเข้าไปบุกอเมกานิสานแล้วก็ชาวอัมกานิสานเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้อเมริกาตอนริบันยี่สิบปีเนี่ยถูกสถาปนาว่าเป็นกอบเป็นกลุ่มก่ อ, อการร้ายตลอดยี่สิบปีนะตอนริบันถูกจับที่ไหนเนี่ยส่งควานตาโนโมหมดเลยยี่สิบปีนะริบันเขาไม่ยอมจนสุดท้ายเนี่ยอเมริกาต้องยอมนั่งตก เจรจากับตอนิบันตอนริบันเงื่อนไขแรกเลยคือยอมนั่งโต๊ะเดียวกันนี่นะหนึ่งนั่งกับกอบการร้ายน่ะแสดงว่าคุณก็ก่อการร้ายด้วยแต่ถ้าจะนั่งกับเรานีนะหนึ่งอันแรกนี่ก็ต้องยอมรับว่าเรานี่ไม่ใช่กอการร้ายพูดเรื่องนี้ก่อนที่จะพูดเรื่องฉเฉลยเรื่องเรื่องชดเรื่องไรเรื่องนี้ก่อนทำไมอ่ะอันนี้เนี่ย เชิงเรียกว่าเชิองอบรมสั่งสอนมากกว่าและได้ได้แค่นี้เนี่ยเท่ากับกระชาติฉากอเมริกาที่ไปหลอกชาวบ้านน่ะตลอดยี่ปีในว่าตัลลีบันเนี่ยก่ขอการร้ายเนี่ยแต่วันนี้ขึ้นเรียะนะยกเลิไม่เป็นละอ๋อแสดงว่มาตรฐานคุณในการที่จะในการที่จะว่าใครกล่าวหาใครนี่แทบไม่มีไม่มีมาตรฐานเลยนะี่ราตรฐาน ระหว่างควาว่าก่อการร้ายกับควาว่านินิสพี่นองว่าอันไหนร้ายแรงกว่าแต่ yeah, สมมติว่าคุณเนี่ยมีความคิดที่ไม่สะอาดความคิดสุกปกคุณเนี่ยก่อการร้ายอันไหนที่มันแรงแกว่าก่อการร้ายเนี่ยแรงกว่าก่อการรายเนี่ ย, ออารรายเป็นข้อเป็นข้อหานี่ติดคุกเลยนะไปนูนะ่นน่นะควันดานามอนี่คุณมีความคิดสุกปกคิดดูสิ ประนามใครนะนะก็ต้องประนามคนที่เอาข้อหาหรือกล่าวหาคนอื่นที่ทําให้มีความชอบในการสังหารเขามะก่อการร้ใครทุกคนนี่นะถูกเก็บเลยนะไม่มีใครว่าทําไมก่อการร้ต่อก่อ น, นุ่นที่อิบมเพอย่างนี้ขัดแย้งกับความคิดแม้กระทั่งฝ่ายค้านที่ไม่มีศาสนาเลยนะถูกเก็บเลยรัฐบาลที่อิบเนะี่ยเก็บเลยโานข้อหาเอาเป็นพวกก่อการร้ยไง คนสยอบแล้วคนไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พูดต่อเลยเอาตัวกองนนะสมควรแล้วสมควรแล้วจะฆ่าใครอไม่ต้องผ่านศาลไม่ต้องมีการตรวจสอบเลยแค่บอกว่าก่อการรา้จบเลยร้ายแดงร้ายแดงดิอิสลามการอิสลามก็ค ง, คงไม่ทําำแบบเนี้ที่จะให้ชีวิตของผู้คนถึงแม้ว่าไม่ได้มุสลิมเนี่ย ไม่มีราคาแบบนี so ้เป็นไปไม่ได้สิ่งที่จะตามมานี่อ่ะตกลงสรุปแล้วนะว่ามุสลิมเนี่ยมีนายาซานีคือความโสมโสมตรงนี้ี่ก็หมาอมจีงวด้ันดันความเชื่อดันความเชื่อเอาอันนีะดีบศลละมที่ออบูไรรนีาว่าอมุมินลยุไม่สกปรกกระดันความเชื่อแสดงว่า แต่ต่างกันใช่มุมินมุหมินก็ไม่นาจิสเหมือนเหมือนมุชริกีนที่มีนัยยะแสดงความเชื่ออา้าวแล้วถ้าไม่นาจิสเนี่ยแต่ทําไมแต่ทําไมคนที่มียูนุปเนี่ยไม่มีสถานะเหมือนคนที่อาบน้ำจากนาบ้านแล้วใช่มันมีหลายระดับมุหมิน ก็จะอยู่ในสถานะที่ไม่สะอาดอย่างสมบูรณ์อย่างที่อธิบายในมุมินตีมีจนานบา้าหรือมุสลิมาที่มีจนานบา้านมีประจําเดือนอย่างเงี้ยเขาก็สะอาดแน่นอนนะนะหมายถึงว่าตัวเขาเนี่ยไม่เช่นนี้แต่สถานะที่เขาไม่สามารถละหมาดได้ทําไมบาร์ได้ไม่สามารถสัมผัสกุรอรานได้อันนี้ก็เป็นสถานะความไม่สะอาดระดับหนึ่งถึงบอกว่า ยารู้สึกท่นบิณต่างศาสนาคุณบอกว่านั่นคือย่ายยายาอัครทินะ่ารู้สึกว่าเรามีมีปัญหาอะไรกับตัวคุณนะไม่ใช่นะความมุสลิมเองเนี่ยบางทีเนี่ยก็มีสถานะซึ่งสถานะเ น, นี่ยเขาก็ไม่ได้เลือกในการเป็นนักยานาบยยเงี้ยมุสลิมไม่มีประจำเดือนเนี่ยก็ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกสถานะนี้สถานะนี้มันดั้งธรรมชาติแต่แต่เขายังไม่ได้จัดการตัวเองทําความสะอาดอาบน้ําตามหลกักการศาสนาที่ได้ สั่งไว้เขาก็ยังอยู่ในสถานะที่ยังไม่สมบูรณ์ด้านความสะอาดฉะนั้นแม้กระทั่งสําหรับมุสลิมมนะันก็มีสถานะนี้ระดับหนึ่งเพราว่าถ้าเราบอกว่า อ, อมุขมินที่มีจรนาบา้านมุสลิม่าที่มีประจําเดือนเนะี่ยไม่สะอาดถ้าเราใช้กับคนทั่วไปเนี่ยคนนี้ไม่สะอาดเป็นเป็นคําที่ไม่ไม่ค่อยดันใช่ไหมไม่ไ ม, ไม่เขาไม่ชอบเนี่ยเฮ้ยคนนี้ไม่สะอาด แต่ถ้าเราคอยนีมยมย่มันจะนะผมไม่สะอาดครับมือมุสลิมเขาไม่สะอาดเขาจะไม่รู้สึกว่าอันนี้มันก็ยอมรับกันยอมรับกันในเรื่องนี้เช่นคําวิจารณ์นะจิสเนี่ยมุสริสรสรมสมองอย่างเนี้ยอันนี้มีคําอธิบายที่ต้องอธิบายแล้วก็ต้องต้องวางลำดับวง ล, ล, ลําดับให้เข้าใจว่าไม่ใช่อย่างคนที่เขาา้าใจแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่า เรื RTX, ok ่องนี้มันมีขีดจำกัดมันมีความขัดแย้งถึงแม้ว่าความขัดแย้งที่มีน้าหนักอ่อนมากของอุลามะบางท่านที่แตกกันนะก็คือมัสฮับีมัมมาลิกมัสฮับีมัมมาลิกเขาบอกว่ามุชริกีทุกชนิดเลยนะจีสจีเซงไงนะจีหมายถึงว่านาจาซาให้เสียให้ประเทศเสียเพราะว่าถ้าสัมปันถ้าสัมปันนี่ก็ต้องล้าง ตรงหลังอันนี้มาซับมาลิกนะมาซับมาลิกนะมาซาบมาลิกแต่ผมนี่แปลกใจว่าบ้านเรานี่ยผมมาเจอบางคนที่อ้างว่าตะกอนนู้นน่ะบ้านเรานี่มุสลิมบางคนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนเนี่ยพอได้ตังมานี่ค้าขายได้ตังมาเนี่ยได้สต็งตะกอนนู้นก็ตังสูงมากก็เป็นเรียนน่ะนะเขาจะเอาไปล้างใครเคยได้ยินไหม เรื่องนี้ปุยยะตายายเราใครเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างไหบั้งหมัดเคยได้ยินไหมมึงยิ้มเคยได้ยินไหมเรื่อาไปล้างเลยนะทําไมอ่ะเหตุผลสองอย่างอันนี้อันนี้อันนี้สัมผัสโดยโดยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเลยอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเราไม่รู้ว่าเขาไปสัมผัดอะไรมาไปนซึ่งไอประเด็นที่สองนี่มีอันนี้มีความเป็นไปได้ไง อยู่ความเป็นไปได้นี่แต่ก่อนนู้นนะ่ะเราอาจจะช่วงที่ไม่ค่อยมีโรคระบาดอะไรมากมายแล้วเราไม่เคยไม่เคยไม่เ ค, ย ถ, ค, ย, ถคยถือมากหรอกแม่ค้าวพ่อขายที่เขาไม่ใส่ถุงมือเวลาทํากับข้าวนี่ไม่เคยถือแต่แต่ตก่อนนู้นนะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาถือมากเลยถึงขนาดที่มุสลิมเนี่ยมีอยู่ยุคหนึ่งนะครับเขาไม่กินเลยนะ อาหารจากต่างศาสนิกนี่ยเขาไม่กินเลยทำไมเรื่องความสะอาดไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องความเป็นมุชลิมหรไม่ใช่มุชลิกมก็บอกก็เพรา้าแม่ขายนี่เอแต่ก่อนนู้นไม่เคยมีห้องน้ําสาธารณะใช่ไหมหรือว่าปวดฉีอย่างเงี้ยกะลังทอดไก่ทอดอย่างเงี้ยแล้วก็รู้นะเนี่ยเาเอามือนี่มาคุกกับแป้งกับน้ําปลากัานนะฮะไปปวดฉีอ่างไปฉี แล้วเราลองทินตนากั น, น, น, กนแล้วเขาล้างยังไงเขาอะไรยังไงใช่ไหมอ่าเป็นสีส็จแล้วก็ามาคุกต่อแล้วแต่ก่อนนั้คู่ไม่กินกันเลยอันนี้ต้ออธิบายละเอียนิดนึงมันจะได้เห็นภาพนะเออแต่ก่อนนั้นผู้หลักผู้หลักเขาคิดยังไงสตังก็เหมือนกันแหละสตังก็กับเขากับเข่าห้องน้ําไปมีธุระส่วนตัวอะไรแล้วเราก็ไม่รู้เขาล้างยังไงไง แล้วกลับมาในกามานับตังค์ให้เราเฉยเลยใช่ไหมเอาเอ า, เอาตังค์กลับบ้านเนี่ยเก็บมาแล้วก็ไปล้างจะได้ใช้ใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องความสะอาดเนี่อาจจะมีเหตุผลแต่ถ้าเป็นความความรู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นของที่สัมบัติกับมุสลิกีแล้วมุสลิมีไม่เอ่อไม่ไมส่สะอาดนะจี๊ดจะเงีย้ยนะจะเสียสิ่งนี้นะถ้าบ้านเรา น, นี่ไม่น่าเชื่อเพราะว่าเมื่อบ้านเรานี่มเมื่บชาฟีเมื่อศัฟีอีนี่ว่าว่า มูชิลิกินไม่สะอาดไม่ีปัญหาแต่ถามาจมาลิกีในสมัยนี่แถบแถบแอฟริกาะไพวกนี้อันนี้เนี่ยเขอาจจะมีเรื่องนี้าากมาลิกีตรงนี้เนี่ยเขาเขาเงเงมากสีบนื่าจากเรื่องนี้เนี่ยว่ามุชลิกินเนี่ยเป็นนสตกลงนจาซมานวิยะนะจาคศัพท์นี้ไว้นะนจาซมานวิยะนจซดัน ด้านความคิดด้านความเชื่อสสมมด้านความคิดด้านความเชื่อสืบเรื่องจากเรื่องความสมมด้านความคิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการทั้งภาคิกับอะไอย่างเดียวนะเอออีกต้องเข้าใจเพราะในบริบทของสังคมยะฮิเลียเนี่ยการที่ไม่มีศาสนาและบูชาชเจวทตเนี่ยทาให้เรื่อง อ, อื่นที่มันเป็นกิจวัตร ประจำวันของเขาเนี่ยมีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนของอิสลามเช่นทําจินา่า เ, เป็นเรื่องปกติทำจีนาเป็นเรื่องปกติเลยนะมีทาสีทาสีนี่ก็คือทาสหญิงปล่อยทาสหญิงเนี่ยให้ไปขายตัวแล้วก็เอารายได้ของเขาเนี่ยมาเก็บเป็นรายได้ของตัวเองนี่เป็นเรื่องธรรมดาคุณอ่านก็พูดถึง เป็นบุติกรรมธรรมดาแบบนี้กิลเลวอย่างนี้กิลเลวอย่างก็ น, น้ครเลยตอนนั้นกิลเลวเนี่ยเวลากินเล้าดา่าใครด่าพ่อแม่อะไรเนี่ยไม่มีใครว่าพ่ออะไรอะ่ะเอพอพ่อเมาเหมือนตอนเนี้ยโอ้โหไปกาดยิงสตาดซะคนเป็นสิบแล้วสะรุปสุดท้ายผมเ ม, มาผมไม่มีสติ ขับมอร์ไซค์ขับรถไปชนไปอะไรคือแปลกนะบ้านเราเนี่ยคือถ้าขับรถแล้วไม่เมาเนี่ยแล้วก็ไปชนนั่นโอ้ ย, อยคุณก็ด่าเละเลยอ่ะแต่ถ้าขับรถเมาแล้วขับแล้วก็ทําให้คนตายอย่ะนะแล้วอ้างว่าเมาเนี่ยคือโทษมันจะเบาอ่ะโทษหมายถึงว่าการตําหนิเนี่ยเออเ้าก็าาเมาอะ่ะเขาสติเขาไม่ ฉะนั้นอยากจะทำอาเชกรรมอะไรแล้วก็แล้วก็คนไม่ประนามหนักนะก็คืออ้างว่าเมาแล้วแล้วโทษมันจะมันจะเบาลงไม่ใช่หมายถึงว่าที่ศาลเขาจะเบาลงอนะหมายถึงว่าสังคมก็จะไม่ประนามหนักมากสังคมยอหิเลียก็จะมีอะไรอะไรประมาณเนี้ยนื่งจะก็ไม่มีศาสนาไม่มีกฎเกณฑ์บุคคลพ่อเขาเนี่ยมีภรรยาไม่ภรรยานี้ไม่ใช่แม่นะมีภรรยาคนหนึ่งพอพ่อเขาเนี่ย เสียชีวิตแล้วเนี่ยลูกเขาในแต่งงานกับเมียของพ่อได้เนี่ยซึ่งทางําหลักศาสนาเนี่บาปบาปเปลียนมาอันเลยเนี่ยคือไจเลียที่มันไม่มีขอบขีเทําไหรก็ได้อะไรเงี้ยเนี่ยความสรรมมงมันอยู่ตรงนี้ไงมันไม่ใช่เรื่องแค่ความเชื่อตั้งภาคีมีพระเจ้าหลายองค์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่นี้มันแม้แต่ทั้งครอบครัวเรื่องครอบครัวเรื่องอาหารบริโภค อ่าจ ا ه ียานี่สมัยเนี่มุชริกินนะะไม่ไม่หลังหลังจากอิสลามนี่คนละเรื่องเลยนเรื่องความสะอาดนะปัสาวะอุจระตรงล้างอย่างงู้นถึงขนาที่ยิวอะะยิวที่ถือว่าเขามีคำพีแล้วก็มีคาสั่งสอนมากกว่าอับลอฮเนี่ยเขายังอิจฉามุสลิมเลยอะยิวเนี่ยไปบอกเซมาน์เซลฟรซีบอกว่านบีอน่าอิจฉาเหลือเกิน สอนพวกเจ้าทุกอย่างในเรื่องความสะอาดให้เข่าของน้ําต้องทํำยังไงต้องล้างยังไงต้องอะไรนูนะอิชามากนี่ขนาดยิวนะแต่แล้วก็อราบถุยไปอราบที่เขาไม่มีศา ส, ะสะนาหนูยิ่งยิ่งแล้วผมบอกว่าอิสลามมันได้เปลี่ยนแต่งบริบทบริบทของชาวอารับนี่ยอย่างสินงนส้นเชิงคนน่ยปัสสาวะเนี่ม่เคยล้างเลยอย่างเงี้ยแล้วพูดบอกเขาไม่ได้นะคุณปัสวะนี่ทุกครั้งเนี่ยต้องทุกครั้งเลยทุกครั้งต้องล้าง่ ต้องเช็ดหน้าให้เกี้ยงให้สะอาดเปลี่ยนดิบันคนละเรื่องเลยไงคนละเรื่องและคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้นะพี่น้องบ้านเราในพงศ์ศาสนาบ้านเรานใช้ชีวิตยังไงพอมรับอิสลามเนี่ยเขาจะเข้าใจเลยโอ้ชีวิตมันต่างกันอีกสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดนี่แค่เทียบนะระหว่างคนที่ล้างหน้า วันละหา้าล้างมือล้างหน้าวันละหา้าครั้งอย่างน้อยกับอีกคนหนึ่งล้างหน้าวันละสองครั้งครั้งหนึ่งตอนตื่นครั้งหนึ่งก่อนนอนแล้ว เ, เราจะหาว่าใครที่สะอาดกว่าใครแ น, น่นอนแน่นอนศาสนาที่บังคับว่าเราต้องต้องมีน้ำละหมาตตอนละหมาตทุกครั้งนะฮะวัคตุอย่างน้อยดีการ์ครั้งละล้างหน้าล้างมือแล้วลา้างท่า ต้องสะอาดดูแลความสะอาดของตัวเองด้วยควาสะอาดภายในด้วยเรื่องในญาซ่าเรื่องอะไรเนี่ยว่าละเข่าหงหน้ามีธุระส่วนตัวเนี่ยต้องนี่ทั้งหมดนี่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่คนนี้ไม่ใช่มุสลิมมันก็จะเข้าใจเรื่องนี้ผมเคยเล่ามีเจ้าของร้านซักอบรีดที่อังกฤษระวิสลามเขาถูกถางมาทําไมระวิสลามเขาบอกว่าผมเนี่ยเปิดร้านซักซักอบรีดเนี่ย เป็นสิบปีแล้วอะและในชุมชนนี่ในมีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเขขรับขรับซักทุกอย่างนลยนะเสื้อเสื้อชั้นในชั้นนอกทั้หมดเลยเขาบอกว่าเสื้อผ้าของมุสลิมเห็ยสะอาดแต่เสื้อผ้าของคนที่ไม่ใช่มุสลิมมันนี่ก็แค่นี้นะมันรับอิสลามมันเห็นมันเห็นข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะชัดเจนเ แต่บางอย่างก็ลงรายละเอียดอะไรมากเกินไปนี่ก็มไม่ค่อยไม่ค่อยน่ารักมากนะซื่เนี่ยจากว่ามุชลิมเนี่ยโส ม, ม, มอีนนี้มันจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องระเบียบในสังคมมัสยิดฮารอมอัล ก, กา้าตกลงถ้ามุชลิกมีนัยาะซ่ามาในด้านความคิดดันความเชื่อนี่นะและมัสยิดฮารอมเนี่ยเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความเชื่อ เชิคนี้มีความความโมมด้านความเชื่อไม่ควรที่จะมาปะเาือนสสดนที่อันเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่ออัลลอฮฺจบอกว่าฟาลาย์ขรั ا ل ลมาสติดะลฮาร د มบัด م าย์มิมนะดังนั้นเนื่องจากหลักการที่ผ่านไปแล้วเนี่ย พวกเขาก็คือมุสริกีนี่นะพวกเขาจงอย่าเข้าใกล้อัลมัสยิดอัลฮารอมบ้าเด่มีมหลังจากปีของพวกเขานี้อันนี้เรื่องนี้เนี่ยเรื่องเรื่องอยาวเลยนึกแล้วอ่ะอาญานี้คงไม่จบกันเนี่ยแตจะพยายามนะเลือประมาณสิบ้าทีอย่าเข้าใกล้มัสยิดฮารอม มื่อศิธรรรมนี่คืออะไรโดยผิวเผินนี่ก็จะเข้าใจว่ามื่อศิธรรรมนี่ก็คือมื่อศิธรรรมที่มาใกล้เนี่ยนีทัศนะหนึ่งทัศนะหนึ่งซึ่งเป็นทัศนะของมัสยิดชาฟีที่เขาบอกว่าห้ามเข้ามุสลิมิกินห้ามเข้ามัสอศิธรรรมแต่อิมามชาฟีและ มาอิมามมาลิกและอิมอามอัล์มห์ขอบอกว่ามัสยิดฮา ร, รัมตัวนี้ไม่ใช่เฉพาะอาคารมัสยิดฮารอมนะมัสยิดฮารอมนี้ก็คืออาณาเขตที่ต้องห้ามของมักกะเกาคือมักกะนี่มีสองสองเขต<ม>เขตเมืองและก็เขตฮา ร, รมัมซึ่งต่างกันเขตเมืองนี่ก็คือมุดของ ผืนแผ่นดินที่เรียกว่าเมืองมักกะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอาณาเขตที่มนุษย์ตั้งกันเองอ่านี่กนะถักไปจากนี้ก็ตออิฟแล้วนะอันนี้นี่นี่นี่ะไรกมันเป็นอธิปไตยด้านรัฐศาสตร์แต่มันจะมีอาณาเขตที่อัลลอ์ได้กำลังด้วยในสมัยท่านนบีอิบราฮีมมันก็เป็นอาณาเขตเป็นหมด เขาบอกว่าเขาบอกว่าท่านนบีบรหิมได้ตั้งหมุดไว้แต่หมุดนี่มันสลายไปเป็นพันๆปีแล้วไงแต่ชาวอาหรับเนี่ยเขาถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นถึงถึงสมัยท่านนบีเนี่ยเขาก็รู้กันนะว่าหมุดที่ท่านนบีิบรหิมตั้งไว้นี่งแต่ภูเขานี่ถึงภูเขานี้ใครๆก็รู้กันนะว่าอาาเขตของฮารอมเนี่ยก็คือขอบเขตฮารอมเนี่ยซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ควบุมในอดีตเนี่ย เมืองมกกะกาเนี่จะเล็กฮารอมนี่จะใหญ่กว่าแต่ตอนนี้เนี่ยเขตของมกกะกาเนี่จะใหญ่กว่าฮารอมเนี่เพราะเดี๋ยนี้เขาขยายเมืองเยอะมากเลยนะแต่ตอนนี้มื่อจรฮารอมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอืมเมื่อจรที่เป็นอาคารนะที่ที่เราไปทําอมร้อนกันน่ะไม่ใช่มันรวมถึงเขตฮารอมฮารอมเป็นแผ่นดินที่ต้องห้ามซึ่งแผ่นดินที่ต้องห้ามตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าเป็นแผ่นดินที่ ห้ามล่าสัตว์และใครที่อยู่ที่มักกะเป็นชาวมักกะชาวเมืองมักกะหรือคนที่มาจากนอกเมืองมักกะแล้วก็มหาสัยอยู่มักกะแล้วต้องการทาอุมมรอดเนี่ยต้องออกนอกที่ฮะรมเนี่ยเรียกอัลฮิลเพราะพ้นจากฮรอมเนี่ยเรียกัลฮลเฮลไปว่าอนั้นลาสัตได้แล้วนะแต่ถ้าอยู่ในฮะรมเนี่ยล่าสัตว์ไม่้ยว่าล่าสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทั่ง ไปไล่สัตว์เนี่ยเจอสัตว์นี่จะไปไล่ล่ามันเลยยังไม่อยากจะจับในแค่ไล่แะไม่ได้ตัดต้นไม้โดยไม่มีความจาเป็นไม่ได้และนี่ข้อกลมนึงในอาะเนี่ยก็คือห้ามมุชลิกินเข้าอนาเขตฮารมอัลมัสิดฮารัมอบนอบรับบันเป็นลุกศิษย์ดุลามีอับบสินเป็นอุลามาที่มักการนี่มึงอยู่ที่มักการอัลอบรบานเป็นชาวเอธิโอเปียน่เป็นทาส มาจากแอฟริกาเนี่ยแล้วก็ถูกเลี้ยงอยู่ที่มักกะเนี่ยมาโดยตลอดจนเป็นลูกศิษย์ของอัลลอฮฺเนียบบาสแล้วก็เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ที่โดดดังที่สุดถึงขนาดที่อัลลอฮฺเนียบบาสอัลลอฮฺเนีบี่ยออกยู่กับท่าน阿里้อัลัยทลอจกูฟาแล้วก็กลับมาพรากลับมาแล้วเนี่ยชาวมักกะเนี่ก็มามรวมอัลลอฮฺเนียบบัสจะถามเขาจะมาเรียนศึกษา อับดุลเลาะหเนี่ยพาก็ข ah ok oh, ah ok ah, ok ok ้าพระเจ้าเนี่แปลกใจพวกท่านโอ้ชาวมกะมาถามฉันเรื่งไงขณะที่พวกเจ้าเนี่ยมีอัตตาอันเนบีรับบาอยู่กับพวกท่านอัตตอับเนบิรบาห์เนี่ยได้บอกว่าอัลมัสดฮารามไน้บอว่าฮวลฮารามุกุลเป็นเขตของฮารมทั้งหมดเนี่ยมุชลิมเนี่ยห้ามเข้าฉะนั้นใครที่ไปมักกะเนี่ยก็จะสังเกตก่อนที่จะเข้ามักกะเนี่จะมีป้ายอืม จะมีป้ายห้ามเข้าสำหรับป้ายนอับตั้งแต่สมัยกษัตริย์อัมดุลาซีนี่เขาเขียนก็เขียนแบบสุภาพหน่อ ย, อยนะรักษาความรู้สึกบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมห้ามเข้าแต่ถ้าเอาตามบุคคลบุคคลเป็นมุชริกห้ามเข้า อันนี้อันนี้ก็ตามตามอายาแต่ก็ทมดูแลเนะี่ยเราเราไมไ่มีข้อบังคับว่าเออจะต้องต้องเอาอายานี่มาเขียนให้เขาอ่านนะทำไมอะ่ะคือมันก็คือป้ายอะ่ะเหมือนป้ายที่เราเห็นนะเขตเพิ่มวิจจราจรมีมะมมีไหวินัยจรา จ, จรเนนะ่เพิ่มเพิ่มจริงมะหรือ พื้นที่ปลอดบุหรี่นีนะ่ปลอดบุหรี่นีหรือว่าที่เขาเขียนว่าวันนี้วันพระไม่ขายเหล้าไม่ขายบุหรี่ีไมนะแบบนี้จริงมะเป็นกฎหมายด้วยบุหรี่ห้ามห้ามเด็กที่ยังไม่บรรลุนี่อาะนี้ห้ามซื้อเองไงเหล้าอย่างเงี้ยจริงไหเป็นป้ายเป็นกฎหมายเป็น เออเป็นสติ๊กเกอร์เปติดทั่วไปเนี่ยทําไหมนี่ก็เหมือนกันแหละกฎหมาอสลามเนี่ยก็โอ้ติดที่มา ก, การน์นี่ในในขอเขตฮะรอมเนี่ยมีโรงพยาบาลชื่อโรงพยาบาลอันนูรเพราะมันติดใกล้ยอยู่ภูเขาอันนูรที่มีถ้ำให้รอที่ท่านนบีได้รับว่าอยู่ยชื่อโรงพยาบาลเนี่ย โรงพบาลนานาชาติอันงใหญ่มากแล้วก็โรงพบาลนี้เนี่ยบริษัทที่สร้างเนี่ยบริษัทฝรั่งเศสมเมาห์นะฝรั่งเศสนี้จะเอาวิศวกรจะเอากรรมกรจะเอาคนตะกอนนู่นน่โรงบาลนี้เกือบสามสปีแล้วสร้างบริษัทมเาหฝรั่งเศสมดเลยนะจัดการทุกอย่างเลยนะ แล้วจะเอาพวกฝีมือเข้าไปทํานู่นนะเรือ่องตะกอนนู่นเทคโนโลยีนี้ไม่มีหรอกโซนโซดี้ทําอะไรเป็นหรอกจะวิ่งไง่ะเขาบก่เ น, นี่ยทุกตะกอนตรงตแล้วก็ช่างช่างไฟฟ้าไว้นี่เนยคนฝรั่งเศส บ, บ้างคนแอฟริกาที่ไม่ใช่มุสลิมบ้างคนไทยอ่ะต่ก่อนนู่นอ่ะคนไทยพวกชาพวกไอเนี้ยพวกช่างเนี่ยมั้งไทยหมดเลยพูดทั้งนั้นน่ะ เข้าไปทำเฮ้ยเขาทำได้ไงแต่รัฐบาลซาอุดีมีใบอิสลามนะที่เข้าไปมีแบบอิสลามนั่นน่ะปีนึ่งผมไปทำอุโมร์ยุคจุลากขอนันนี์นะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อเป็นไคนักการเมืองมุสลิมเนี่ยคุยกับคุยกับญาติผมเนี่ยไปทําฮัตกับผมเนี่ยเขาก็บอ แต่ก่เนี่ยเรามีอเมรุลฮัดเนี่ยหมายนึงว่าคณะของฮัดเนี่ที่ของรัฐบาลแล้วก็จุฬานี่นะอันนี้ก็ส่มาก็จะเป็นราชการและส่วนมากอ่ะพวกนักการเมืองเนี่ยก็จะไปด้วยนี่งบของฮัดนี่แหละเขาบอกเขาก็นั่งคุยกันว่เนี่ยคุณคนนั้นกับคุณคนนั้นอ่ะซึ่งเป็นนักการเมืองที่ไม่ใช่มุสลิม เขาเห็นมุสลิมเนี่ยดไปมักกะกันนักหนาเนนมเพื่อนเพื่อนซีที่เป็นนักกรเมืมุสลิมเหนือไปกันนักกันนักหนาเนี่ยกูอยากจะไปบ้างเขาก็ออกไปอิสลามแล้วก็ซื้อตัวแล้วก็ไปกับคณะอามีรฮานนี่ยแล้วก็เข้ามักกะเข้ามัสยิดฮารอมเนี่ยไปตะวักเฉยๆเนี่ยก็ดูก็ใส่ชุดโต๊ะใส่แล้วก็คุยกันคุยกันเล่นโน้่กูไปกูไปไว้แล้วซึ่ง อะไรแบบนี้เนะี่ยเราก็ไม่สามารถตรวจสอบได้เราก็ไม่สามารถโทษใครได้แต่แต่คนที่จะรับบาปตรงนี้เนี่ยก็คือคนที่อนุมัติอนุมั ต, มติคนที่ออกไปอิสลามให้ทั้งนั้นที่รู้ก็ไม่ใช่มุสลิมนีม่ใครที่เขามีแล้วก็มีเรื่องนี้เนะี่ยแต่ก่อนนู่นอะ่ะบ้านเราเนี่ยออกมาอิสลามเนี่ยสําหรับแรงงานที่ไปทํางานเนี่ยทํางานมกกากรามา ด, ดินาเนี่ยโอ้โอตะกอนเละตุ้มไปนะักขายไปอิสลามใช่ไหม ไปรับอิสลามอ่ะอันี้ก็มีนี่และการศาสนานี่ห้ามคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยห้ามเข้าอาณาเขตของฮารอมทั้งทั้งหมดเลยกนะต่หม่มชาบีอเองอะนะได้บอกว่าถ้ามีความจําเป็นเนีเข้าได้ถ้ามีความจําเป็นนะเข้าได้อิมาอบดุฮานีฟ่าบอกว่ามีความจําเป็นหรืมีความจําเป็นนะนะเข้าเขตฮารอมเนี่ยได้ ที่ห้ามนี่ก็คือเฉพาะมัสยิดมัสยิดอารมอ่ะที่เขาละมาที่เขาตะกัน่ะเฉพาะตรงนั้น่ะอบูฮานีฟนะเฉพาะตรงนั้น่ะห้ามทีนี้สืบเนื่องจากเรื่องเนี้ยถ้าเขตฮรมทั้งหมดเนี้ยอัลล์เรียกว่าอัลมัสยิดอัลฮรมแทบเอกฉันเลยนะเอกฉันเลยนะว่าเขตฮรมซึ่ง แน่นอนในเขตฮามทั <and sexual availability> ้งหลายในมีมันพื้นที่ส่วนมากเนี่ยมันไม่ใช่มัสิดแต่เราเรียกว่ามัสซิดซึ่งเนี่ยจากเรื่องนี้เนี่ยจึงมีทศนะตในบรรดาสลัศนหนึ่งที่นบีบอกว่าในอะลิสบันทกมัรินะมุสลิมว่า ص ในมัสซิดฮาร์เนี่ยเท่ากับหนึ่งแสเท่าการละหมาดมัสิดอื่น อลมาที่มัสยิดฮารอมเดูรีหนึ่งครั้งเท่ากับดูรีที่มุส ล, ลิมไลฟ์ชแนลหนึ่งแสวัคตูดูรีหนึ่งแส น, น, แส น, นี่กี่วันนะปีหนึ่งเนี่ยก็สห้าเนาะต้องคูณเท่าไหร่ต้องคูณสา0สา ม, มื่นบ0 0สามปม่ปปะบีบ้โอ้หนึ่งแสนแ เราเนี่ยส่วนมากเข้าใจว่าอ๋อละมาที่มสัสยิดเฉพาะที่มสัสยิดเนี่ยอาคารมสัสยิดฮารอมมาถึงคนไทยเนี่ยเอเช่าบ้านเนี่ก็ต้องเช่าบ้านใกล้มสัสยิดนะแต่แท้ไหนเนี่ยไปเช่าบ้านที่ไหนเนี่ยไกลจากมสัสยิดเนี่ยเขาไม่ไปเนาะเสียวว่าจ ะ, จะไปแบบถูกๆกันนะแต่ฮะอุไมทัศนาที่มีน้ำหนักมากกว่าะข้อเขตยร์ฮารอมทั้งหมดเลยเนี่ยละมาดที่ไหนอ่ะที่นั่นน่ะหนึ่งแสนเท่าเหมือนกันทําไมอ่ะ คบานอับดุลบาผู้ใดเล่ามาดนมัสยิดฮะรอมนะอัลลอฮฺบาจุนไฟละ قرب ุลมัสยิดะฮะรอมหามับเบียวกันเลยอัลเรียกขอเขตฮะรอมทั้งหมดนีเรกว่ามัสยิดฮะรอมแล้วในยู่ว่าผู้ใดที่ละมาดในมัสยิดฮะรอมนะเท่ากับหนึ่งแสเท่าเชฟบินบาสอันนี้ผมทันทันนะที่เขาพูดเรื่องเนี้ยเชบินบาสเนียช่วงฮัจญ์เนี้ย รัฐบาลที่ซาอุดีเนี่ยเขาจะย้ายช่วงฮัทนี่นะจะย้ญญายรัฐบาลจากเมืองหลวงริยาต น, นี่มาอยู่ที่มักกะเชบอินบาสเนื่องจากว่าแกเป็นมุฟตีใหญ่เนี่ยก็เป็นส่วน ห, หนึ่งของของรัฐบาลนี่แกก็จะย้ายมาแต่แกมาอยู่ที่มักกะเนี่นะก็ประมาณเดือนกว่าในช่วงฮัทเนี่ยเ ด, ดือนกว่านี่แกไม่เข้าไปละหมาดมาซิดอรอมทุนททคนเขาแปลกใจอะมามักกะทันทีนะ่ยไม่เข้าไปละหมาดมาซิดอรอมทําไมเหรอหนึ่งแสเท่าเขาก็นั่ง เึ่งไม่อยากจะเบียดคนย่าที่มาจากต่างชาติเราเนี่ยอยู่ที่ซาอุดีเนี่ยอยู่ทั้งปีเราก็ไปไหนมาไหนก็ไปได้สะดวกเมื่อไร่นี่ก็ไปไ ด, ด, ไไปได้แต่พวกนี้เนี่เข้ามาจากต่างประเทศเ น, นี่เข้ามากันชีวิตนะ่ยครั้งเดียวถ้าคนซาอุดีเนี่คิดจะไปเบียดเขาในโอโหมันก็คนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะลําบากเหตุผลสองช้เวลานในการจะละหมาดใกล้บ้านของท่านเนี่ผมก็เคยไปละหมาดเมืองซิเล็ก เพราะเขาบอกว่าลมาที่ไหนที่ขอบเขตฮารอมนี่ก็ถือว่าละมาที่มัสยิดฮารอมเหมือนกันในผลละบุญเหมือนกันเลือดที่จะไม่เบียดพี่น้องมุสลิมของเราทาั้งดั้งที่ได้ผลละบุญหนึ่งแสนเท่าเหมือนกันอย่างนี้ได้ได้ผลละบุญสองอย่างผละบุญให้เกียรติพี่น้องมุสลิมถึงเคยผมเคยบอกว่าคนที่ไปตอวฟัฟคือไปทำรอบไปทำพัดเนี่ยครั้งนึงในชีวิตนะ่ะไปแล้วทั้งทีนี่นะ และเห็นหินดําเขาจูบหินดํากันอุย้ยอยากจะจูบหินดํามากเลยอะ่ะถึงขนาดที่ฟายเลยฟายนะฟายสู้ถึงขนาดที่มุสลิมบางคนในฮิจารุดถึงขนาดที่มีแก๊งอ่ะที่หนูมีแก๊งอินโดนะเขาจะรับรับหลีกทางให้จะได้ไปจูบห้าร้เรียนจะมีแก๊งเ จูบแล้วในใี่ยรยเรียญแต่ก่จะเข้าไปจูบมันไม่รู้เขาไปซัดใครไปต่อยไปชกใครเนี่ไม่รู้กีกครั้งเนี่ยมล้ออะไรมั้คุณบอกกับพี่น้องว่าเลือกนะถ้าไปตะวาันตะวันแบบสงบเสงี่ยมไม่ต้องจูบหินดําทําไมอ่ะพอถ้าเราไปจูบหินดําแล้วก็รู้สึกว่าจะมีบาปในการเบียดในการทุบตีในการดา่าย่อไม่ต้องนะแค่ มองแล้วก็มีคนมาเหยียบเท้าเราแล้วก็มองอย่างนี้เน่ยคลืองอย่างนี้เนี่ยต่อหน้ากาบ้านนี่เนี่ยผมโอ้โหเก่งวัดมันจะบับใหญ่ขนาดไหนผมว่าไม่ตรงผลละบุญจูบหินดังเนี่ยกว่าจะไปจูบนี่นะ่ยเราไม่รู้บาปและอับดุลลอฮฺอับดุลโอมาร์นี่ได้บอกว่าสาบานด้วยพระนามของ น, อนี่ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของมุกมินเนหน่าย่อมเหนือกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของกาบา ความสักดิสิทธิ์เกียรติยศของมุสลิมเนี่ยนายม์ น, น, นมนะอัลลอฮ์นี่เหนือกว่าตาบะแต่เราจะเหยียดหยามเกียรติของพี่น้องมุสลิมเนี่ยเพื่อจะได้ไปจูบหินดำมานะไม่คุม้มและเรื่องนี้เนี่ยในคำเล่านะของท่านนาบีซ ل ى الله عليه وسلم ก็มีท่านนาบีเห็นอมุมรอันออนั่งขัตบนี่ตัวใหญ่อมุมรอันออนะั่งขัตบ์เนี่ยเขาบอกว่าขี่ม้ากับยืนนี่นะความสูงเท่ากันนะ S <S <an> สแสดงว่ากี่เมตรน่ะถ้าขี่ม้านี่น่ะเขาบอกว่าเท้าของกั้นเนี่ยจะแตะพื้นน่ะแตะพื้นดินน่ะสแสดงวความสูงยังไงอ่ะเขาบอกว่ามรดุข้าวตอ้อมนี่ถึงผมผมก็เลยไม่แปลกใจเหงามรดุข้ขออาวต้อบนี่คือนบีและซาบานี่จะอพยพนี่นะแอบซ่อนตัวนี่ไปมาดีนะเขาบอกว่ามรดุข้าวต้อมนี่ไปยืนหน้ากาบ้านนี่บอกว่านี่กูนี่จะไปมาดีน่ะนี่จะอพยพนี่วันนี้เนี่ยใครใครอยากจะเป็นเยอยากจะให้ อยากจะให้เมียเนี่ยเป็นแม่เป็นม um ่ายนะตามกูมาคือท้าทายวนี้น <associations> ี่ยฉันจะไปมาดีนะจะไปหานับดุมฮัมมัดเนี่ยใครอยากจะให้เมียเป็นม่ายนะก็ตามกูมานี่ท้าทายโอ้ใช่แล้วสิขตัวขนาดไหนอ่ะนีจะจะเูมากเลยนะอบีุลโมฮัมหมัดเขาตัวใหญ่มากท่านไม่ต้องไม่ต้องจูบหินดังก็ได้เพราะแน่อนเพราะอุมาัมหม่ดาถไปจูบหินดํานี่ย็ค่ทำอย่างนี้เนี่ยก็คล้มล้มเป ล้มเป็นแท่งแถมมันไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะเรียกน้ำนี่ก็ล้มเลยแล้วมันจะคุ้มเหรออ่าผ ม, มเห็นนัะนะพอแค่ตะวันนี่ก็จะเห็นแล้วนะ่ะมาช่วงหินดํานี่ก็จะเห็นสมรภูมิสมรภูมิไม่ไมีคุ้มหรอกเรามาถึงหิน ด, ดําเดไนเลยมาถึงหินดําเด่ อ่าที่เชฟบิมาสบอกว่าไม่ละหมาดที่มัสยิดฮารอมละหมาดที่ขอบเขตฮารอมเนี่ยพ่อได้หนึ่งแสเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันบางทีเนี่ยไม่จูบหินดำเนี่ยบางทีไม่จูบหินดำเนี่ยได้บุญมากกว่าเผื่อถ้าเราเจตนาละเราเสียสละไม่จูบหินดำเพื่อให้พี่น้องได้จูบสบายๆและเพื่อเราเนี่ยไม่ประพฤติการละเมิด และเมื่อพี่น้องของเรานี่อันนี้อาจจะมีผลและบุญมากกว่าจูบินดำและโดยมีเรื่องที่สืมเนื่องจากเรื่องนี้ก็คือเรื่องห้ามเข้ามัสยิดฮารอมอันนี้ในบทบัญญัติของอัลกุรอานแต่มันมี حاد ิสของท่านนบีสุลลลัลลอฮ์อะลัยฮุสเซลัมที่ท่านนบีประกาศในมันลติมูสลิมว่าว่าเนี่ยในปีปีที่เก้าเนี่ยว่าท่านนบีมีนโยบายที่จะขับไล่มุชริกีนออกจากคาบสมุทรอหรับทั้งสิ้น แต่ท่านนบีเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้ทำเรื่องนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับอายานี้ยังไงเราทราบได้ปฏิบัติคำสั่งระหว่างคำสั่งของกุอานนี้และคำสั่งท่านนบีุละลมยังไงเรื่องนี้เนี่ยก็มีรายละเอียดที่ต้องอธิบายนานกว่านี้แต่เวลามันไม่เพียงพอจึงขอยุกยอดไปอย่างสัปดาหนานนะครับทุกท่านอัลลอฮฮละลลมละเมุละเ